เอ่อสําหรับเรื่องท่านกัปปิละภิกขุนี่ ท่านก็ไม่ยอมรับฟังดู พระฤาษีเจ้ากล่าวอย่างนี้ไตรรู้ รุ่งพล่านโมโหขึ้นหน้าจึงกล่าว ความจริงจบพระไตรวีดกนี่เค้าเรียก มันมีคุณุสิทธิ์ลูกหามมาก นี่ในเวลานี้มีหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแห่งอเวจีก็ย่อม ผิดบ้างพลาดบ้างต่อบ้าง หรือหรือว่าบางคราวมีใครมา มีความประพฤติเพราะว่ากําเลิบเมาในความรู้สมควรใหญ่เสีย ถ้ากลัวมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ อายามี่เป็นต้นมีที่บาท 4 มีพรหมิหาร 4 อย่างที่ว่า เท่านี้นี้อ่าเธอได้เป็นผู้ไม่มีความรู้อะไรเลยจิตยินดี จะมีความรู้อะไรที่ได้บอกกับพี่จะ พระโสธนะองค์อรหันต์ก็มาสู่ เพราะว่าพระอรหันต์ 3 คร า, นะ, 3 365 วันวาระ ท่านนงตนว่าเป็นผู้วิเศษถ้าท่านว่าไม่เห็น ว่าทําดีอย่างโน้นทําดี และผลนั้นมันจะๆ อย่าทำตนให้นอกเหนือพระธรรมวินัยๆ อันนี้ใช่รับรองแต่ที่ 3 วาระ 4 วาระ เมื่อถึงวาระผมจะจัดการๆ จะให้ผมเตือนว่านั่นเลว สำหรับดี เมื่อองค์อรหันต์กล่าวดังนี้แล้วก็ พระอริยะท่านเตือน 3 ครั้งแล้ว ในที่สุดก็ด่าว่าที่บ้าง ว่ากล่าวเวลาลูกเข้าไปบ้านก็ไปแจ้ง ก็ยังธรรมภะปริยัติในพระ ตาก็เป็นคือท่านก็ชายฝ่าย ผู้มีความสําคัญตัวว่าเป็นที่ ท่านหลายที่มาจากเถินนี่นี่ พระที่เรียกว่ากบินพร้อมได้มารดา ระวางพุทธันดร 1 คือช่วงพระพุทธเจ้าองค์ มีความประพฤติดีประพฤติชอบเรียนพระธรรมวินัยดี คือเป็นปลาที่มีเกล็ดเป็นสี <c oughs> ลูกชาประมงลูกเด็กว่า เบ่งหน้าไปยังแม่น้ําครั้น เพราะออกหาปลาครั้งแรกก็ได้ ชื่อว่าอะไรล่ะพระเจ้าประดินมคตเนี่ยนี่มันก็ชัจจะ ก็ควรจะบอกพระราชา สม blissพรราชามาส่งทอดประเนศเห็นปราทองแปลกภราชie นั้นจึงมีพระกำลิว่าปราทองใหญ่ตัวนี้ไม่มีใครรู้จักชื่อว่าเป็นปราอะไรนับว่าเป็นปราที่แปลกภราชอยู่ทำไมจึงมีสีคร้ายภรรม ใครจะไรเราจะไป ได้เพื่อถามข้อสงสัยเฝ้าองค์สมเด็จโอ้ ผู้แปลมานี่ท่านไม่ได้ จึงทําความประหลาดใจให้เกิด เป็นทองคําผิดจาก ในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี แล้วก็ได้ด่าบรรดาภิสุทธิ์ แต่ด้วยว่าเพราะตนเรียน นี่ท่านนี่เวลามันก็จะหมดเสร็จแล้วนี่ว่าขอถวายพระ เนี่ยอ่าจึงได้ตัดถามปลา ตอนนี้ว่ายังไงธัมมลีเพราะได้ท่านถามว่าเจ้าชื่อกบิละใช่ไหมเสียงปรานั้นทูลตอบสมเด็จ เขาบอกว่าอเวจีอวิจิมหา นางสาธนีมนดาของเจ้าไป นิพพตตาภันเตนางกําลังอยู่ในมหานรกพระเจ้า อ่าจึงกระว่าแค้นใจตัวเอง ครั้งนั้น เวลารวบๆ มันก็มีเรื่องอีกนานก็ขอทิ้ง จงมีสวัสดี